ที่คนๆก็ประกาศนาว่ามีประตูผูิษยโลกถ้าว่าข้าพเจ้าเกิดมาในชาติใดๆขอได้ข้าพเจ้ามียศเลยข้อหข้อข้าพเจ้าเกิดมาในชาติใดๆขอไ้ข้าพเจ้ามีับัเลยข้อนที่ประตู่อมาอย่างนั้นกประาถูก์ ไม่ได้จะไมชอบแต่มล้อมม่ขาดเต็มลำเลยนะฮึฮึฮึฮไฮึฮึฮึเนะึฮึฮึฮนะึฮึฮึฮึวึงึาึฮึาในในในึฮึฮึฮึฮดฮนฮึฮนฮึฮนฮึ้ึะึฮึฮึฮึฮึาึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึ่ึฮึฮึฮึฮึ้าฮึาึฮึฮึฮึฮาฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮอฮึฮึ่ึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึรถฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึ แปวางไว้มาให้ขวางทางเรามาให้เดือดริบมาให้เดือดร้อนนี่ขอให้ข้าพเจ้ามีทรัพย์สมบัติเลยมันจะเป็นเศษีก็ได้แกจะไปถือมั่นถือรันมาเลยก็เป็นคนมีทรัพย์นอนในกองทัพก็อาจะไม่มีทรัพย์ถ้ามีทรัพย์ไปยึดมั่นที่มันมาเทิดในในความมั่งมีเยอะอย่าให้มันเดือดริบมีทรัพย์สมบัติอยาให้มันเดือดริบเนี่ยถ้าคิดอย่างนี้สบายใจมั้ มีคิดพิจาณอย่างอย่างัางกกาดกั ง, งนั้นมียราวางาในในมีทรัพย์สมบัติ เ, เราวางในดาบซื้อซื้ยมั่นือมั่นมันเป็นย่างเราเป็นทุกข์อย่างนี้มันข้อธรรมะ ถ, ถ้าเราฟังใถูกฟังอย่างหนึ่งแ้จะไปในลูกอันหนึ่งถ้าฟัง ใ, ให้มีทรัพย์ในใ้เยอะมันวัทางเลยเต็มลำนะ ถามในที่จะพูดจติดฟากอย่างกรทังเจะเดินไปนัน่นนองก็ติดทางละะ้วแล้วนะถ้าเราวิ่มจากธรรมะเนี่ยมันสบายมีลาบมีรถเนี่ยมันจะมีเป็นาอาไรก็วางอย่าไปแบกมันเป็นัวว่าตนดีของตนเต็นร้อยเปอร์เซ็นต์ให้สิ่งเ่านีเป็นปัจจัยที่เราอาศัยอยู่ชัวชวชวาวคราวอีกไม่กี่วันเราจะจากันไป แต่ทําให้เราเป็นทุกข์ให้ยึดหรือวามพอดีแบบลากยศสรรเสริ น, นั้นให้เชื่อเจ้าของเองถูกเขาดินทาก็ให้เชื่อเจ้าขอ ง, ถ, ขออองถูกเขาเจ น, นเนอรเสริญก็เชื่อเจ้าของไว้บางคนถูกเขาดินทาแล้วโกรธเลยลไม่รับฟังอะไรเลยของดีๆอยู่ตรงนั้นมีอยู่ทำไมไม่เอาละ่ะเขาดินทาถ้าเราไม่ดีเราดีหรือไม่เราควรรับฟังถ้าอะไรไม่ดีเราไปเขาแยกมันออก นะเขาเตืนอนะไรนั่นป้องอยีในนั้นเน่ยบางคนแต่เขมีท่าในี่ยรับฟังเลยนะโปรดท่าเดียวเลยนั่นคืคนมีปัญญาท่านนักบ่าแต่นั่นแหละเขาสอนเราเพราะว่าเราไม่ดีจะมีอะไรบ้างไ ม, ไม่ดีไม่มีนนมีไหก็วควรดูเหตุผลมันอาจอนนจะมีก็ได้นะอือจะเรามองไม่เห็นมันต้องที่จะนานถ้าเห็นที่ว่าโอ้มันไม่เคยแล้วก็ไปเถอะหยีมันออก แพระนันคนที่ผูกินทาก็มีปัญญาแล้วคนเปิดประโยชน์ประโยชน์ในที่มินทาเขาเนี่ยมันมีเยอะแต่เราก็พิจารณากันที่มีสักสูกกันเถือเนี่ยชอบ<ม>ชอบเลยเห็นเป็นเถื่แล้วก็ดูที่มันเขว่าเานี่ยันดีจิตตรงไหนถออยู่ไหมบางเข้าว่าดีเพราะชอบกันเฉื่อยตรงนี้เป็นความด่มีแล้วชอบกันเพราะเ้ว่าดีตรงนี้ถ้าความดีเรไม่ได้ก็เลียไปถ้าเข้าว่าเราไม่ได้นี่ยไอ้พวกไม่ดีเลยตร ง, งนี้อยู่จะถึงเสื่อม เนาะอ่าหลังเรก็สร้างอันนั้นเป็นเมันดีเฮมันพอได้สิทธิารีนั่นเนี่ยเป็นนั้นคนถุกมินทาคนถูกเปนกระแสนั้นถ้าคุณมีปัญญาและก็ะดัมีกไรให้เขาว่าได้เรื่อยสบายเหมือนมันเจ็บเลยปัญญาเนินสอืาอย่างนี้ที่สุดเพาะมิณฑาอะมิณฑามันตื่นใจก็เป็นกร้แสนั้นมันมีสุมันลึกมันเฉลลงลึม่อยมองดูตัวถ้าเขาว่าไม่ดีเพราะอบออกิ ปัญญามันจะตื่นเ น, นี่ยอรมณ์ตั้งสองอย่างนี้มอคนมาให้เราเราคนรับฟังรับฟังตั้งสองอย่างเรื่อประเสริฐมต์ตั้งสองอย่างเขามนท้าล้วก็ขอบคุณว่านใานในน<ม>จของเราเนาะเขาช่วยได้เติ้ลเราก็จะขอบคุณมากไม่พูดถึงปาออกมาเพราะว่านในใจเราอืมเี่ยเพื่อเราจะได้รู้ตัวของเราถ้าปลาท่านประสอนอย่างนี้นคนคนที่มีปัญญา จ้รับเอาความรู้ทั้งสองอย่างีที่มันเกิดมาคนไม่มีสัญญาจะไม่รับเอาความรู้ในที่เขาหนินทาในที่เขาเ็นเส้นเนี่ยท้าเราศึกษาธรรมะเราจะรู้อย่างนี้รู้อย่างนี้ปัญหามันก็น้อยลงน้อยไปน้อยแต่ตัวมันจะหมดไปนัตติโลกีอนินทิตโตคนไม่ถูกหนินทาไม่มีในโลกนะ่เป็นพระเจ้ า, าสอนไปที่ไหนตัวในคนเะงั้นเราคจะไปเชื่องมงายในที่เขาเสนอเส้นเราในที่เนินทาเราเราคนเชื่อตัวเรา เรายังไม่ด ah ีเพราะว่าด erm so, ีก็ไม may ่ต้องเกลียดเขาเาะเาอยู่ในเราเ้ามีางเราว่าไม่ดีก็ไม่มีอะไรก็ไม่ต้องเกลียดเขาเราปล่อยมันไปก็ดีทั้งสอย่างถ้าคนเราคิดอย่างนี้มันก็ปัญหามันก็น้อยสบายสบายอยู่ในธรรมะก็ไม่มีอะไรม่มีถ้าเราดูตามจริแล้วก็มีแต่เรื่องเึ็นเหตุเชื่อเจาะษาทั้งนั้นในโลกอันนี้ไม่มีอะไรทั้งนั้นเป็นธรรมชาติ เห็นธรรมชาติเราจะต้องมาศึกษาศึกษาตามธรรมชาติทั้งนั้นก็รู้ว่าแต่เจตความเป็นจนริงกันนั่นแหละนีเจตคามจริงกันนั้นมาจะแดงในโลกอันนี้เราไม่ได้เพื่ออย่างพวกมันเราไม่ได้จะเอามีแต่เกิดอันนั้นสอบอันนี้ไม่สอบอันนั้นเราสุขอันนี้เราทุกข์อันนี้วุ่วนวายธรรมชาติทั้งหลายสอนเราทุกเวลาทุกเวลาอย่างของเจริญรักเราแพงอย่างมีรัตถุอันหนึ่งเจริญรักมันมากมันตกเพาะเราไปรักมัน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 มันมแจากโลกใจเราบานคือนี้อ่ไอ้คนเด็กกินเราไม่รู้จักธารชาติมันืู้จักธรรมชาติมัเองธรรมะเลก็สบายจะอยู่ในฐานะอะไรก็สบายจะเป็นใหญ่เป็นโตก็สบายเป็นต้นจะเป็นในเพศมันก็สบายถ้าเราคิดถูกแล้วมื่อสบายถ้าเราเป็นเด็กอยากจะเป็นใหญ่เหมัอนที่เรูถ้าอยากเป็นไหญมเนี่ยมันจะสบายอ่ะเป็นใหญ่ก็ใหญ่กนทบกอย มันบางมีบา ง, ง, งการงานสมาสิงมันก็ไม่สบายเหมืนอนเราเป็นเด็ก้ราอยู่ตามไม่สบายบาเาอยู่ต่ำไม่รู้ถ้าสูงเกินไปแล้วก็ไม่สบายกัวมันจะโดดุนแรงมากมมันก็เป็นอย่างนี้นะคเราคิดในตัวธรรมะถ้าเราคิดคิดถูกธรร ม, มะแล้วก็ไม่มีสูงไม่มีตม่ำเราจะรวยธรรมชาติปัญหามันก็น้อยเงอยู่ในฐานะาวาในฐานะสมณะในฐานะออกคาในฐานะฆราวาบางอย่างทุกสัว ก็เ็นนองนี้ถ้าเราคิดถึงธรรมะเมื่อไรใจเราสบายพระพุทธเจ้าทน้นดูอจะพ้นที่ส่วิตัวของเราเนะนี่ยะมันก็จะ ส, สบายมั่นคงอไอ้ความเห็นนี่มันมั่นคงไอ้ความเห็นที่ถูกต้องมันมั่นคงไอ้วัตถุที่ในตัวของเรา <c oughs> นอกายของนมันจะ็งมีมั่นคงไตัววัตถุ <c oughs> เรื่องอนันดีจังตุขังนเนี่ยจานเี่ย่งที่มั่นคงยึดหลักอันนี้เป็นขอที่สำคัญมากนัน็นพระพุทธเจ้าของเราที่จะสอนมาเลย สองพันห้าร้อยตัวปีมาแล้วแต่จะทำอันนี้ยังตั้งมั่นอยู่ไม่หายไปทางไหนเลยคิมเลยว่าท่านว่าทำดีก็ดีทงชั่วปฏิชั่นเป็นต้นถ้า็นฟังถูกหนะังมันยังถูกอยู่นะถ้าคนฟังไม่ถูกมันก็ไม่ถูกนะแนวคนนั้นทำชัว่วทำไมมันเลยดีบม่ทีทำดียางมันชั่วเป็นต้นอันนี้มันคือเบียดกันหาทื่เราทาดีมันจนะะดีขึ้นนะคนไม่เห็นดีอะไรก็จะดีจะเลี้ยงอะไร ใครทำไม่ดีใครความไม่ดีไม่ใช่เป็นดีหรือเรานั่นเนี่คนเราให้รดีเันก็ดีามันดีแล yes> ้วมันเป็นเรื่องใมันเป็นีเาแล้วก็ทดีวาไม่ดีไปาเเราทดีเาดีมันเกี่ยวกับามขไม่สบายแต่เป็นตัวของเราเราไปเชื่อคนอื่นกเอาของไปฝากก็ีมันย้ไป่นนควจริงนิของรง มีหลักฐานมั่นคงที่จะต้องอยู่นี่เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราจะเป็ของเราเลยไม่เป็ของพระพุทธเจ้าหรอกเราเอามาปฏิบัติใครปฏิบัติมันเป็นสบายมเนแก้ปัญหาได้ทุกอย่างถึงแม้จะมาจ็บเจ็บไขนี่ยแม้ว่าคิดผูกถ้าคิดผูกมันสบบางคนถ้เจ็บไคมาจะตายนิดแต่ายเนาะกลัวเจาอย่างเยอะแต่ไ่ เป็นโรคอะไรตัวจะไม่หายไม่ไปตัวมันก่อนไม่ทุกก่อนพราันไม่เจองันไม่ได้หรอกบอกวอแต่รู้อยู่ว่าชาวัวอาีตัอานี่มันาย่าาจะเปนอย่างเยเาตายพอยองมัน่้มันไม่สบาย้ตายวเนาาไหอย่างได้ยตัวลมันสบายเไม่ไต้าม ถ้าเราเอาเจอปัญหาเจอกลัวเอาเจอเมตายแต่กล okay. on. so, ัวตายมันจะทุกข์แค่ไนเลยเป็นยทุกข์ก่อนเลยคือคนมีธรรมะ่ปัญหาในระมันะบากอยู่พอนั่งลงก็พูดด้เลยูดดิจิตังไงดิองเราไม่เห็นราใช่ไหมไม่ทำไม่เอยอะไรศึกาธรระยังไม่พอไม่ได้ทยังไงเราก็จมีสติแบบเลืกทำยังไอยู่นะ ใวอยู่นันมาพันยน้แีเราทอะไรอยู่เรารู้ไหมใเรื่องใดนะเรารู้ไหอือคือมอนบ้านนั่นแหละนี้ออกจากบ้านเไปิดประตูเราิดทันอือคืองามันจะ้เขามหมดขอไม่อยู่แมมีมันมีสติมัมีจะตมันมีญาติคอบคุมเจ้าของอยู่บัดนี้เราพูดอะไรอยู่บัดนี้เามำอะไรอยู่บัดนี้เราคิดอะไรอยู่อย่น ก็จต้องอยู่กับตัวของเราเสมอไม่เคยทมนดังเนี่ยเมอจะไปอยู่ในบ้านของเราแล้วืบ้านขโมยนอนจะรู้ใช่ไหมเนี่ยถ้าเราอยู่ในบ้านเรไม่ได้นานหับในนี้ไปขโมยเป็นมาเราจะไม่รู้เรื่องเราอยู่บ้านตะกีไมยองอยู่ตะกี้นี่ไม่รู้จับเรามันเต็มไปใหญ่ต้องจะไม่รู้เท่านั้นเนี่ยเพราะความตะกี้เป็นมันมากแต่ปตะกี้มือนคนใช้ในบ้านนะเนี่คาเหอคนมาบ้านมันจะไปหยิแต่ของบ้านมาหยิมา สติจะโดนริดได้จะกระจายความรู้สึกมาอารมณ์าเกิดขึนมาสติจะปญาเรียกัญญามาตรวจดูมันก็ทำติดไปเรามอยู่ที่นั่นล้ไเโน่ินมคเ้าหามมันไม่ได้อยู่มัมมมดีตายสิทธของเจ้าของนี่มันแล้วมาคุ้มครองเนไดของเราเนี่ยมันก็ไม่ดีพูดในเรื่องของเจ้าของทำในเรื่อของเจ้าของ ใจเราเอยู่ในสมอันใดเราเ็ูรองของเรามันก็ลำบากเหนกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้ากะอยู่กับรู้ตัวจะตงย่ทอยู่มีเนตกัปโตะต้องยายาองพยายามต้องคิคนข้าแตวนโลมันพันกันดีแค่ไหนมันพันแล้วมันกลับมาพันเหการนี้พระพุทธเจ้าต้องการดูิว่าของจะของจะไป อกตีขันฉะ น, นั้นคนที่ต้องระวังระวังเรื่องการสงวน ร, ระวังตาหจมูกยิ่งไาไม่รับจับ น, น, นี่เราะมาแล้วมันเกิดความผิดขึ้นมาโจิต<ม>กระดูจิตกรดังจิตกระดะดจิตกระดนี่เพเราไม่ระวังไม่มีสิ่งันก็ดุ่งขึ้นมาเมื่มันเกิุ่งขึ้นมามามรลความวุ่นวายแความอารมณ์เดียวก็ไม่มี ถ้าเรามีศีมันมีกรักระวังอยู่ทถูกเราจับอยู่มันมีความิ้อมสมาธแราจยยงวาที่มันยกยิงนั้นมันเป็นสมาธิแรม่รสมายยง้เท่าร์อยู่แล้วปัญญามันก็จะาไปต่เนมันเป็นศีลมันเป็นสมาธิมันเป็นปัญญาไปตัวมันเองดงน่ะเจ้าเพราะว่าจะได้ เป็นใ่ก็ได้ก็นุ่มก็ได้ไม่ยอะไรแรารื่องเรึกเหมือนเราฝึกถ้าคนไม่ฝึกมันทาคาทุนเนี่ันนี่ปวดหัวหนเลยนี่ปวดขั้งเลยนี่นี่แหละมาทุกขั้นหนึ่งจบนรกมาทุกตลอดบำบัดนรกจะฟังหวังเป็นใหญ่นะมีตัวตนรกวันนี้เราเสด็จนรกไม่เหมือนดเหล่าก่อนหรด็จข้าวมันมีบ้างหม คว<ม>าม ท, ทุกข์เกิดเมื่อไรนั่งอยนน่างนี้เราไม่รู้ท่าเราผิดผิดอย่างผิดผิดจะมาทำความตัวเกิดจะมาทุกข์เกิดจะมาที่อะไรนั่งนรกแล้นใจที่จับเนียยังไปมองไปอาานในเียนรกคนอยู่ไ ห, นหนมนนเนี่ยไปก้ไปทางนันไรู้รรนะ<ม>วยั่นรกอะนะนรกะมีความิดิดใจลงปจบ ซึ่งสักพาอะไรสักพาอารมณ์อารมณ์มันก็ได้มันก็จะบายนั่นเป็นเรื่อของสวรรค์ด้วยการพระยาผู้จรงสวรรค์เนี่ยมันขึ้นบ่อยๆลงบ่อยๆอย่างนี้มันคไปสวรรค์ันเปลี่ยนนรกก็เปไม่่เรื่องของนรกไม่ใช่เรื่องของสวรรค์แต่ว่านรกก็ไปยนขึ้นอ่โนนนี่อะไรนาอย่งโ้นไปเป็นสวรรค์่มองไปโน้นมันีรื่องโน้นรื่องไทยโบราณั เราเห็นควรพัฒนาเยี่ยมอยู่ตรงนร้ด้านปรามัติการทำ้องดีตรงนี้ดูองเด่นเป็นตัวเป็นตนเป็นราเป็นขาองคโนนดูเปนปรมัตที่จิตใจพุทธศาสนาแสดงสิ่เนเื่องของจิตใจน้องๆไปกำหนดดูดางนองกำหนดดีด้วยถ้าสุขรมาฟุ้งารมีัญญาไม่ปึดฟุงมันจะเท่ากันอาการใควาจะเป็นท sure ุกข์มันก็ใ ไม่ได้มายุ food, s, okay, like, ่งเลยหมา้งเป็นเนหมูต้อเป็ียอแต่เรา้ว่ามูันเป็นอย่างนัมันเป็นหมูใช่หมทย่กับมันเลยหมาเป็นมานี่ยมันเ็อย่างก่อนมันคืนเลยมันแ่แต่คนแรเนียมันต้องมีปัญหาเลยนี่เป็นเราูหมูลูบมาเลยเลยที่แท้จรงแล้วหมามันเป็นอยงั้นแต่อันนี้มันเียนของมันเี้ยนอันนี้ังมันไม่แน่นอนมันเป็นอยนาุ๊กขังมันเป็ุกข้าแม่ยายจแม่เี้ยนมันจะเป็นทกอย่างนั้นแหละกอมันนอ่งน ทุกขังแต่เราแตเราไปเผืนมันก็เป็นทุกข์เมาพ่อเลยอนาตาไม่ควรไปหมายมันมันพ่อไม่เข้าของเราไม่เท่เราเนี่ยตาก็เป็นของน้ำยีมันไม่ใช่เยาที่สดแต่ก็เแต่ว่าุกขนี่มันเป็นคนอาจจาครับอานิจทั้งแอาจจายจะเปลี่ยนด้วยเลี่ยนด้วยเียนด้วยเปียนด้วยให้ัตามันมาครอบเป็นอานิจจังคับทุกขังอานาตามครอบหมดเลยนันไม่เที่ยงมันก็ไม่ใจต้นนั่เป็นทุกข์ก็ไม่ใจต้น ของไม่เจ็บเลยน่ะตามันคลอดเป็นสอย่างนะเรื่องทุกขังจักรกรงอริยังมันของเดือดเที่ยของหมดเยี่ยะจะทำเงมันนะไม่จะไปคิดเียมันกวเป็นทุกข์ถ้าคิดไปแค่ในของไม่เที่ยงมันเยอะขนานี้แล้วต้องเห็นของเ่งม่ของ่่งเนอะไางเห็เห็นอะไรนัอย่างั้นิเห็นไม่อย่างั้นมันกยง มันเป็นยังไเรอเ็นเันว่มันไม่เที่ยงนที่ยงถ้าของมันไม่เที่ยงมันจะมีั้นของมันไม่เที่ยงจะเที่ยงแล้วจะเป็นทำไมงงี้นแล้ว็เที่ยงแต่ว่ามันไม่เที่ยงใจะมารวมกัโอ้มันไม่เที่ยงของเที่ยงอะไรนิจจังอริจจังอิังมันของอะเที่ยงนิจจังคือของเที่ยง มันมันมันหน้ามือกัังมือเนี่ยมาชี้ถึงหลังมืยก็หไปแล้วนะอ่มันไม่หายไปอยู่ในป่าหรอกมันหายอยู่ข้างล่างนี่อมาชหน้าะเนียมันไหายไปอยู่ในป่ามันหายอยู่ข้างล่างครับมันจะเปียนไปเปียนมาแต่เราจำไม่ได้เป็นทุกอย่าง้หลังเยังไง้องให้อามันนะห้หน้ามือเนยร้องให้าัยมันะไอ้รดูดีมันอย่า่างนมันชี้ถึงนิจงมันมีเีแต่โดนนะโอ้ไม่จริงเงินของมันนะเออมันตกแล้วมันกระ ไม่คือของมันเลยอืยน่นเนี่ย น, น, น, นั่นคือขงจริเนี่ยึ้นกับจะทำเลยนะเออของจริงเลยอย่าก็ของจริงมาดูอ่าเออมันเป็นอย่างนี้งนี้ ถ้าเราไปเห็นเี้ยนเขาเป็นทุกข์เงเพี้ยนไ่ทุกข์ทลทุกข์นะทุก์ถ้าเราเห็นว่าสังขานเพี่ยนเขวก็ทุกข์เพราะเไปยึดมั่นถือมันแหล้ใช่ไหครับได้ไดคนดีครับแล้วแล้วยังไงมันถึงจะทุกข์กัก็เหก็เห็นมันในเพียนมันกลับกันยุ่งคือเราเราไม่อยากไม่อยากจะให้มันกลับและมันเป็นของเีย เขามันกลับไปกลับมายอะเราอยากให้มันเฉยๆอย่างนี้เดียวมันจะเอาเที่ยงตรงนั้นทีเราเห็นมันเที่ยงคือมันอยู่นี้มันเที่ยงตามวีของมันมันเป็นอย่างนี้มันจะม่เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อเียมัยก่นแล้วเขาจะให้มันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องอะไรตรไหนเลเนี่ยเ่งตรงนี้เียวว่าเราจะไ้ตามอำนาจใจของเราของันใช่ของเราตรงนี้ที่มันจะเที่ยงคือมันไล่อยู่นี้ไม่จะเฉยมันเป็นอย่างนี้อยงอยู่ไม่ปล่อยมันเยะ มันเปียกแล้วมันจะเป็นของเปีอย่างนี้มันจะเป็นของเปียกอยู่แล้วคือเปียกมันจะยอมเป็นอย่างนี้มันจะยอมเป็นอย่างนี้ไม่เอาตอนนี้มันกระจายยามกันนะครับจงจงไปนังให้มันเกิดขึ้นในความสงต้องคิดในความสงบแม้ผมคิดมานานเนี่ยคือคือคือคือความคิดอย่างนึงความพิจารณาอย่างนึงนะตรงนั้นตรงนั้นเป็นตรนั้นต n งนั้นมีเนคนะ ก่อนนี้เริ่มเต้ไอ้คนคิด ES ม to ันเป็นปัญญาไม่เป็นมันเป็นต้นไมเป็นเหี้ยมันคิดอย่นี้แต่าบทำสมบทีเวลาทำสมบกแล้วก็ท่สบเมื่อข่าวการพิจารณาครบเราไม่ใช่ต้องการอย่างนั้นอันนั้นมังทีคนคนหนึ่งมาแสดงตัวอยู่ในที่นันทสมบกนั้นเราเป็นคนพุทธิมองอยู่รับฟที่เกิดฉะนั้นมันปรากฏขึ้นมานันรื่อการพิจารณาอยู่ในความสมบุกมันเกิดขึ้นนะไม่ต้องแไปคิดแบตรงนั้นมันเป็น่างนั้นตรงนั้น ไอ้ไอ้ไอ้ตัวศึกษาตัวสงบเนี่ยตัวพิจารณาค่ากับศึกษาทางด้านจิตฮะแต่ค่ายกศึกษากระบวนคนคนหนึ่งแต่คนคนนั้นไม่มีหรอกแต่มันมีความผู้อมีมีการตอบมีการรับในตัวมันไปเรื่อยๆะถ้าหากว่ามันสนใจในจบจะยืนจะเดินจะนอนอันนี้มันสองนิ้วๆพิจารณาอยู่ในนี้มันเป็นเองของมันต่อเมื่อหักมันรู้ควรไปจิอันนี้มันก็ลอยตามเวลาต่อ เป่นคิดกกันมเรียบกริจาราในที่นอันนี้เราพิจารณาสัญความจำใช่แปลงันได้หมายรู้นี้เราจะเป็นสัญญาเป็นปัญญาใช่เดสัญญาสัญญานี่บางคนไปจาว่ามันเป็นปัญญาแตแล้วเป็นปัญญาเป็นสัญญาเป็นสังขารไม่ใช่จริงไมเออจริงจรงหามันมันใกล้กันเหมือนการโคกะกบนี่ ทำลา่กันทำที่นี่ได้ด้วยกันก็ขอแทนฆ้าคนไ่ได้ทำลายทำลายจัตุรัสเป็นไอ้ยมันคือเพื่อเจาทางไหนอะเอาทางบันหรือเอาทางคนตาล แต่ถ้าปัญญาสามมันติน่พวกนั้นเขามีปัญญามากติดเงแต่มันมากเปัญญาามมันมาห่วงมเน่านะแต่รถึงมันก็เน่าใสได้รถน่มันมากคือเจ็ดนเนมันมากในคนมีปัญญาตัันระทธเยาสมนมากติดเเราแกวปัญญาสามมันส่ไม่ใสปัญญาทีีอย่างนั้นไอ้ธรรมะถ้าคนปกครองประเทศชาติมันมีธรรมะ มันม่เปธรรมะมันก็ไม่ยถึกคองกันยากมันสบายปรองอย่างดีที่สุดแล้วน่ยแต่ว่ามันทำกันไม่ได้คือคนไม่ยอมรับอย่างคนเคยมาขอของดีกับอัตมาเนี่ยตามชายแรงตามโน่นเชยมาของดีอัตมามาของดีนี่มันเยอะหรอกเชยไม่เอาขอเฉยๆอย่างนี้อัตมาใว่าเอาครับเอาเอยากจะได้ของดีอยากจะไดระอยากจะได้เจ้ตั ไปการรูประเบิดเขาเน่ยเาจะมาไปมองระเบิดเขาลงในภูเขาในไม่ว่างมีอะไรจะการมาแล้วนอกจากไม่วางระเบิดจงดีกว่าอ๋อเนี่ยอาจะมามาป้องนี้คือจะไปทํากันเลยอ๋อันนั้นดีที่สุดแล้วนั่นแหะคือดีที่สุดนะครับอืมนี่คือการปกครองอยู่ธรรมะไม่ต้องทำอะไรกันครับมันเป็นธรรมอาวุธอาวุธฝึกธรรมะปกครองโดยธรรมใช่แต่มันแต่มันทำไม่ได้ ในโลกให่มันยากขึ้นแังคือมันมันต้ัดฆ่าคนผมเป็นผู้พิพากษาถ้าผมจัดสินบ้านที่จะเป็นนักส่วาีมันมีกฎหมายไม่คนไอ้ที่นี่ไม่ึกถึงตัวไอ้ที่จัดทำบาปมันลกอย่างไอ้ขานจ่ไม่ประหารรถต้องมาเลือนตลอดมันก็ผิหน่ะจิจิตสังคมถ้าอยังไงค่ับต้องังจิตานี้ อันนี้ชาหกว่าเราจะเราจะตตัวมันจริงๆเลยนะแล้วก็ทิ้คนอันี้ไแต่คนจะไปรับองเยอะราไม่ใช่มีเรคนเดียวหรอกนะะอะไรครับอ่าการงานอันนั้นเะอ๋ออยาเหยียบคนที่ทงานนะั้น้คนอื่นเขาทใช่ไหมอ๋อครับไม่ใช่ว่าเราหนี้วมีคนทเราเยอะไป แล้วดีกว่ามันทาไปแล้วนมันทําไปแล้วอดีตมันอะไรก็ช่างมันจะมันดวงมันกเป็นกรรมสิดธิ์เลยหรือเมันเิดกรรมสิทธิ์ตัวเป็นเนี่ยเป็นมันก็เป็นไป่แล้วคือคิดอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยมันเลยมาแล้วอดีตจะไปคำนึงมันเลยที่มันดีก็ดีมาแล้วมันถูกมันติดมันก็ติดมาแล้วทำไมจะไปคำนึงมันเศร้าใจแต่กรรมมันก็ยังอยู่ใช่ไหมฮะกรรมมันก็ยังอยู่ยังอยู่ถ้าหากว่าเราเราทําในปัจจุบันนี้นะแก้ไขถึงที่สุดมาแล้วมันก็ หายไปมันกหายได้มันกันเป็นอาโหสิกรอันนั้นมันน้อยลงไอ้ไอ้่ที่เราทามันดีขึ้นมักให้ผลก่อนให้ผลเรื่อยไปให้ผลเรื่อยไปเรื่อยไปอย่นก็ ม, ม, ม, ม, ม, มันเป็นอย่างั้นรรกรรมใหม่กรรมเก่าเนี่ยแล้วก็สร้างกรรใหมนนก่กันที่ครับผมอืมแล้วมีได้กรรมเก่าอะไรนะกรรเก่ามันดีอยู่แล้วไม่ต่อมัน้สร้างกรรใหม่ไปเนี่ยมันมาก้นกว่านั้นจะได้ครับางทีอย่ากรรเป็นอาโหสิกรรมนอาโหสิมเยานี้เป็นได้ได้อาได้อ๋อ เหตุการณ์คือทำอะไรมันมากขึ้นมันมากขึ้นที่สิ่งที่เป็นเหตุการณนั <c oughs> ่น <connection> ก <oughs> ็เรียกว่าไม่ให้ผลอย่างไรให้ผลมันจเมื่อเรามีชีวิตต่อไปม่ด้่นอย่างระาฆ่าคนตายมาแล้วัฆ่าคนตายการมันทันทันก็เรียกว่าทันแต่ชีวิตที่ท่านไม่ต่อตายนี้แหละหมดตนี้ ตายแล้วก็ดสุดถ้ามันไปตามเราไปชัดด้ไม่ไม่หมดในในนี้ถ้าเราทำกรรมมันนั่นะมันโตกว่านี้อีกเลยนะกรรมนี้กามไม่ผ่หมดแค่นี้ขาดกรแค่นี้เหมือนกันใช่เอุลิมาจนเอาขลิมาหน้านั่นะครับยักถูกหินหน่าเจ็บปวดเอาขลิมาก็รู้อรหันต์แล้วไปใวดตอนั้นไปไม่มีแล้วือเียไอ้กรรม ไอ้กรรมตัวนี้มันมันใครเราไปช่วยไป้ช่วยปูกบ้านครับที่เราไปเาก็ูกแล้วเนี่ยแล้วไม่ทอะไรนะมันเป็นบ้านเาแล้วคือกรรมนั้นไมให้ผลเสร็จแล้วอย่างนี้มันก็หายไปนีไอ้กรรมมันหนักที่สุดอากรีมันหนักที่สุดปัจจุบันนั้นที่ยังไม่ให้ผลก็ละเป็นอที่ทไปงี้วกรรมใหม่ลบกรรมเก่าเขาที่มันลบได้นะที่มันลบไม่ได้ตอไม่มีเติมต่อ มิชตชาติ่นี้เท่านั้นคล้ายๆว่าเราเราทากรรมแล้วมันหนัแต่เราทํารรมใหม่จนเจริญเป็นพระอรหันต์กสได้กรรมเก่าตามพันในชีวิตนี้เท่านั้นน่ต่อไปไม่มีเลิกเท่านั้นให้ขนเท่น้นขเลิกอือยากเลิเาไปเอาไปไปเจิกที่ารดที่เรียกว่ากรรมทีปัจจุบันที่จะลบล้างกรรมเก่าได้น่ะมันต้องเป็นขุน ปฏิบัติทำถึงขั้นอริย์ใช่ใช่นะครับใช่ถ้าปฏิบัติธรรมดาเนี่มันก็อาจจะไม่ลบไม่พอกำลังไม่พอดียังม่พอแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะขอไปแยกนะถึงไม่พอเป็นสนวนเราเราตามยไม่หยุดไม่มีโอกาสจะขอไปแยกเมื่อต่อไปเราก็ทำการนั้นต่อไปกามีก็มีอยู่ไม่หายแต่ไม่มีโอกาสที่ขอไปแยบ ตามกันเรื่อยๆ่อยเ่อยบางทีก็หมดปนอมันตามไม่ทันเก็ลกก็อย่างนี้ก็มีนะเรา่ยนานอย่างคำก็อย่างคำเป็นบางอย่างเนี่ยให้เราตรวจนายกองอย่างนี้ตรวจอย่างเต็มทนะอยู่ไปนานๆนานๆบางทีก็มันก็หายไปอย่างคนอย่างคนเป็นนี่กันเถอะเป็นนี่กันน่ยเมื่อกีมุ่งหวังเจ้าหนี้สมังมาจะเอาเนี่ยแต่โอ้ยผมมีแล้วขออเถอะรี้ดยใจ เลยสบายเลยก็เลยเจ้าหนี้ผมไม่เหมือนเดจะมีไหมที่พื้นฐานลูกนี่ก็เลยสวายก็เลยล่ยได้ไหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นมันจะรอข้ไม่ได้ข้อผนดีั น, น, นตัวซึ่งม <c oughs> นตัวมากมันคงจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวจำที่ใสท้าท่านทำาม มันก็เป็นสามอะไรเป็นแบบามหนาทีเออมัใกล้มันหน้าที่ในทางที่นั้นมันเป็นหน้าที่เราสร้งขึ้นมานี่ก็เป็นก็เป็นยังยังว่าเอาแกต้องฆ่าสัตว์นะโคพอกเนี่ยฆ่าไปเถอะเลื่อนนมันต้องฆ่าสิตัวนี่นีนก็หน้าที่ของเราไมแล้วก็จตจำหน้าที่อย่างน้ก็เป็นบาปเงี่ยเนาะไม่ใช่มันจะไม่เป็นบาปทามานแทนหน้าที่ฆ่าสัตว์่นะเราไปสร้างมันขึ้นมันก็เป็นหน้าที่หน้าที่ที่มันถูกต้อง เราจะหาวาไม่ทำกันไม่ได้ยังก็ไม่ได้หน้าที่คือมันไม่ดีใช่กฎหม า, กมายจะไม่ใช่ธรรมะนะกฎหมายไม่ใช่ธรรมะนะไ <c oughs> อ้ความเดืดขาดของกฎหมายจับมันมาฆ่าทหารีนี่เดืดขาดเดดขาดทางุศาสนาอันนี้จังทุกออนาานานันัานมไม่แน่นี่น้ความเดืดขาดของทางกุศาสนาก็เป็นนี้ เด็ดขาทาั้งโลกเอาเป็นไปฆ่าทั้กทีมันเด็กขารมันเปนน็นคเด็ขาเป็นคนใหญ่เนียมันเป็นเรื่องของอย่างนี้มนไม่ใช่ว่ากฎหมายเนี่ยกฎหมายถ้าไปทำตากมกฎหมายมันในบาปยังมีความเป็นจะริงกฎหมายมันตั้งคนในขุ ม, มนิยมคนตนี้ฮะไม่็ช่ว่า ข, อขา้อกฎมาจากต้นเลยเพื่อปกครองคนเท่านีนอ้อย่างนี้เป็นต้นยานโพสต์ไอ้คนเนี่ย ทำงานเพียดแตวันไอคนี้ทำงานนั้นนี่ยไอ้คนนี้จะต้องฆ่าหคนนี้ต้องฆ่าไก่คนคนี้ต้องฆ่าวัวเป็นต้นนะเราทำ ง, งานตามนามทีไม่ทั้คิดไม่คิดสิคิดคนที่เขาตั้งนั่นแลนนนหละมันเดือนเดียวเยขึ้นไหมชาวข้าวไเขาทุกวันตตามนาทีเงินเดือนก็ขึ้นก็ไม่แย่มันไม่ใย่ว่ามันดีน่นนะมันดีเฉพาะนั่นนะเจไม่ดี่้าเยอย่างง้มาแล้วรักเติมมาก็เป็นอยู่ย่างนั้น ผมเคยมีเรื่องขันคือว่าสุายมันต้นเงินแบ่งแบง่งศุลกิจาชที่แยกนทนทนกิจการแต่ขึ้นอยู่กับวันเสร็จแล้ววันมันลากตัวคนขม่ไหวเขาลงมายิ่งตายค่ถาถนนก็จะได้ขึ้นสาผมผนใ้เลี้ยวทางแหะต้องผ่าน เจตนาที่หนีไม่พ้นเลยผมกัเป็นฐานฐานสูงสุดนะการดีกาทีนี่เขาเอาเขาคุบรอบก่อน60วันเขาถึงจะเส<ะ>ร็จเหลือเวลาอีก7วั น, วนมันแขงคุคนตำรวจไดย้ยิงตายแลคุ ก, กันเลย เออปนไปนะอันี้มันคนผมไปดาไเออเป็น้องตัั่นเมันแปกจแปลกจริงเออถ้าดูที่ายแยกหน่อยลาคนู่ลาคนอันนี้นะครับเรื่อนอันนี้เราพูดเรื่องจริงธรรมความเป็นอยู่ของโลกเรานะความเป็นจริงก็เรียกว่าตามธรรมชาติธรรมดาของโลกเราก็เป็นอยู่แบบนี้ครับทุกคน ใช่ไอ้มันิมันนยงข้ามันเลยมันทงก็ไม่หมดคนเป็นยงามันมันกมดนีเมาลข้ามันยิงเหมดไม่ยุงกหมดคนเพียรเพมากเลยยุงอ่ะีทาอะไรต่ออะไรทางนั้นอ่ะอย่างนี้เป็นนหาม่หมดแต่ว่าำมหมดเราตายไปก่อนยุงดอนเยอะเลย่นเป็นอย่างนี้ในทางที่ดีเลยว่อะไรทัศิมีให้มอนมันน้อยลงอย่างว มีหลายอืม่องมัขาดแต่เรื่องมันคลิปกันมันก็ปิดมันก็ปิดพูดด้านธรรมะโลกมันยุ่งโลกอืมเรื่องธรรมะมันก็ต้องเป็นยุ่งอืมเรื่องธรรมะก็เป็นยุ่งเรื่องชั้คงอย่ก็เป็นยุ่งมันก็ต้องเป็นกันอยู่อย่างนี้แีละเยอะๆไปถ้าหากว่าถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติการงานอาทิอย่งเนี้ยนะโลกนี้มันก็ยิ่งวุ้นวาย ข่าไมข่ขาไมา้มีระเบียบทางใช่อย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นนี้นะมีหมาม้าตางนั้นต่มันก็ไม่อยากเป็นบ้าหรอก่มันเป็นงมันนะมันร้าก็วิ่งไปคนเห็นไอตัวนี้อไอสุนัขมันมีพิษมันคนมันเสียหายอย่างนี้เป็นต้นนะทไงมัน่ามันทิ้งตอนั้นแหละมันมีพิษาถ้าย้อนกลับม า, ามทีต น, นะ คิดของพวกเรานะ่ะเยจงฆ่ า, มาหมาบ้าตา ย, ยจนดีกว่าเรามีคิดนะไอ้ความเป็นจริงคิดของมนุษย์ี่มันมากเลยเกินีเดียวนะถ้าไปมองคิดของคนอื่นมันก็ฆ่าก็ตายามามาแต่มาเน้อมาเดี๋ยวเรามีคิดอะไรบ้างไหมที่ <P ain> จะม่ยอมฆ่าตัวเรามันคิดเยอะจ่ิจงๆ น, นี่นอกเป็นธรรมะ ต, ตรงไปตรงมามันก็เป็นนี้ยังเรื่อการปฏิบัติธรรมะนี่มันจึงเป็นของยากเพราะว่ามันฝืนมันข้ากับแต่ว่าด้วยปัญญาของคนเนีย อย่างนี้เนี่ยอย่างคนที่ว่างี้นกบฏจะเป็นหมดสิ้นอันนั้นก็ไม่ได้จะมีใครจะบวชได้หรือก็บวชกันไม่ได้จะไม่บวชกันนึกก็ไม่ได้จะเป็นคนดีมัทุกคนได้ไหมันไม่ได้จะเป็นคนชั่วทุกคนออืกไม่ได้โลกมันเป็นอย่างนี้เรื่องนี้ปันญายงอย่างเรื่องนี้โลกนี้ถ้าใครมีปัญญาก็ไกลเที่ยวพยายามให้มันมองให้ห้อยไม่ติดมันเรื่องของบุคคลนี้ครับไม่ใช่เรื่องบังคับอันนี้มันเป็นอย่างนี้ ถ้าปล่อยยุคนี้มนุษย์ทั้งหลายจะหนียากมนุษย์ทั้งหลายจะอยู่ลําบากอย่างนี้เป็นต้นคุ้มกับผันหัวท้ายออันนี้ก็เรียกว่ารักษาอ่อมนุษย์เนี่ยให้มีความเยเป็นจุดครับอโลกนี่มันก็ผิดอยู่เนีน้อยละมันก็เป็นอย่างอย่างเนี้มันมีได้หลายอย่างอย่างนั้นก่อนพระพุทธเจ้าจังใหดูโลกทูทั้งหลายจงมารู้โลกนี่อันหน้าจะการลดราจะลด อันพวกคนเขาทัานไร้หมกอยู่เซโครุหาองอยู่ไหมแน่มันไปใจยังไงย้าเมาเจ้า้องเงินมึข้ากูก้ามึงมึงข้ากูกูข้ามึงอย่างนี้ก็ไม่จบแล้วพระผู้เท่ยวเด็ดดาดลงมาสู้ทั้งหลายจงมาดูโลกนี้สูทั้งหลายก็เหมือนเรานั่งอยู่นี่แหละสูทั้งหลายไม่ใช่เอื่ไกลเลยจงมาดูโลกที่อันนาสการูต้าสารันพวกคนเขาหมกอยู่เซโคร้หาสอง่ ทั้งร้องไทั้งนทุกข์ไอยากจะอยู่ในโลกนี้แลไม่อยากจะไปที่ไหนละนะไอ้ตรงนี้จะไปทำมเอยมันทุคนิ่ไปแบให้มันทุขึ้นมาไปทสิ่งที่มันทุกไม่อยากจะให้มันทุไปทสิ่งที่มันผิดไม่อยากจะให้ผิดแต่พระพุทธเจ้าแต่ทำทั้งหลายทั้งมวลเกิเพราะนี่ตัณไรเงี้ยจ้ะไปทให้มันทุกข์เกิดต้องมากิองนันทำมาคงจริงสิทำมาของท่านเรไม่มีอำนาจ มันก็มีตรงอยู่มันเป็นอยู่น้อยแต่ใครแต่ใครที่ไม่มีปัญญาตอมกอยู่คนว่ายังเรียนไหวสายเกิดเรียนไวสายม้ว<บ>นยองไวัฏจักรไม่รู้กั<บ>นใค<บ>นรไปคนเอาท่าใจาไม่เกิดเรียวว่าบาปหลายถ้าพุทธเจ้าอย่าต้องเกิดมันมาเลยตอนนี้ก็ขัดแล้วขัดเราอย่าเกิดมา อยากไปไปพานิพาเนในอยากจะไปแล้วัวจะเห็นหน้าตีหน้าน้องหน้าลูกหน้าล้านนะไม่อยากจะไปคือมันไม่เห็นนั่นเองมันเป็นต้นนะถ้าว่าไม่เกิดแน่นันทันว่าบาปมากโลกเรากจะไม่เกิดดันดีดูที่เราเกิดจะมันมีอะไรไหมใครมันสบายไมคนรวยทุกไม่คนรวยก็ุกคนจนทุกไหมค น, คนจ น, ก, ค น, ค น, จนก็ทุกเด็กมันก็ทุกแบบเด็กหนุ่ก็ทุกแบบหนุ่แก่ก็ทุกแบบแก่ รวยก็ทุกแบบรวยจนมันก็ทุกแบบจนมีอำนาจก็ทุกแบบมีอำนาจไม่มีอำนาจก็ทุกแบบไปเมีอำนาจี่เพราะอะไรเกิมดมาแล้วมันตึองอยู่ในนี้มา<ด>ทำ <คน S 2> ไงมันทุกอย่างนี้พระพุทธเจ้าใส่ในทุกอย่างนี้ยังไงคนเราก็ยังไม่เล่นก็ยังมีสุตสาธรรมะไปฟอกเสียมนนั น, นหล อ, อมเพราะฉะนั้นอ ย, อย่างวันเกิดมีแล้วไม่ควรลฉลองควรจะไว้ทุก ใช่การการที่ฉลองก็คือมาชี้แจงให้รู้จักอะไรเนี่ยฉลองเนี่ยอย่างว่าอย่างว่าที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ทันว่าฉลองก็สวยมันีแล้วมันเป็นมนุษย์นะแต่คนคนถึงวันเสารเมื่อวัฉลองเขาจัดมาฆ่าเยนะนี่ฉลองวันเสาร์เป็นไง้างนเอาเหล้ามันกินเป็นงเนี่ยอืม เนี่ยไตรย่ำมีวันเกิดเราเน่ไปส่งเจอไม่มนเกิดถึงมาอีกนะถ้าล้องมันเกิดแต่เห็นเห็นโทษในความเกิดเกิดแมันเป็นที่มันเป็นคาติชาติแต่มันเป็นภพเดียมันเป็นชาติมันมีภพบางนมาตคือความเกิดที่มีความเปิดอย่างเดียวอะไรอมันมีมามดทุกอย่างเลยที่มันเกิดมนจากความเกิดแุดไม่ได้ใช่ไหมถ่ามันจาเป็นบัรคับจับนี ในข้างขรงพระเจ้ามีคามความทำเหมือนการครามทำคนัว่าเนี่ยทันทเล้ครับบาบมดเนี่ยตามดูผิวอบอับทั้งนั้นนั่งวันอุดอัดหัวใจแล้วเนี่ยมองไปข้างหลังนี่แต่บาบเท่านั้นพอเราทำมาเนี ย, ยเลื่เลียงบาะะออบอย่างนั น, นดทจนใัจบนนีาา่กบาบนะนะจะทำต่อปก็บาบทั้งนนิดเลยพระพุทธศาสาบาบเานั้นตายจะทยังไงไม่ตายเนะ ข้อเทศจบลงพวกกรามกลาพระพุมีแบบนั้้ากับผมสงสัยแต่แล้วว่านเบาปนาดใจไม่ค่อยสบายจะทำยังไงผมเป็นคราาส่หากินก็ไม้กินรูปก็มีมีก็มีอะไรก็มีเป็นเป็นาวาสยังไม่มีบวชใ่มยังไงครับมันไม่แย่มันบาปแล้วนี่รามบามันมีแต่าาบาปมาแต่อ แต่ยังไม่รู้แต่ถ้ามันรู้จริงจังมันไม่กล้าเนาะทำบาปนะั่ะอันนี้เธอยังไม่รู้มันจริงเธอจรงกล้าทำบาปคาราวาสุดจำเป็นอย่างนั้นฐานโษเปลืองบาปลงมาแตเพระาะานโทษทำบาป ม, ม่ายนั้นเองเสียีไม่มีานบาปปัจจุบททัรู้แล้วพอเลื่งมันคารา่าสุ้จำเป็นอย่างนั้นแต่ว่าบาปก็จริงนะอะไรมันขัดข้องมันจาเป็นที่จะต้องทำเยอะมากนะ ก็ทำได้เจริทำมากตอนตนความเจะิทำมากเรื่องอีกจไว้ไพรามจำไว้เจริทำให้มากอยูมันจำเป็นที่สุดเดี๋ยกระทำเจริเน่ยทำมากมี่้อหนึ่งจำไว้นะข้อที่สองเนี่ยทำไว้บอกโอ้ตามบุญีใจเลยนะมันได้ทำเหนี่ยมันระบายออก มันผิดซึ่งครังหน้าครังหลังมันทนไม่ไหวมันใจจะขาดนี่มันไมได้ทำเลยอาจารย์บ <c oughs> ังให้ทำน้อยใจทำไม่พอพ อ, อไปออไดพอพยายา ม, จจมาเจ๊ก็ตั้ใจเขามาถึงปฏิวัติทามาน้มันซืเ็มที่ในครอบครัพพว ก, ก็ทําจ๊น้องโดยคนระวังสติอู่ลูกทดูลูกจากบนเงินผิดหรืรลู้จากนน บ, าก น, บนบาปคี่จะต้องทํเพราะความจำเป็นอย่างนี้นที่ ท, ทําสอวงรู้ แต่แก <S <S ต้องมือ่วยจะทำเนี่ยทำบ่อยๆน่ยนานตามตนี่ทำสองอยาวเนี่ยทำแตน้อยกับเม่ยทำบ่อยๆมันดีเข้าจิตใจก็พลอยเป็นธรรมในเกณฑโทษอยู่รวมทั่วมาตรึ้นปดูในการรักสมทวนผมมาต้มมากคนที่ิุธทําปฏิบัติสมากได้เราว่ามันทำแต่น้อยต่ไม่สมมาตรถ้าทำบ่อยๆีได้นะไม่ทำบ่อยการทำแต่น้อยกับเป็นทาบ่อย มันหมดได้นะเป็นหมดได้เท่านี้เพียงคนเห็นสาระไป่อยมทางในเป็นบาดเทนั้นทางนก็บาีกบแมันบาเปหมดที่ใสบางคนกวแหงออกไปเลยในออกอย่ห้าวานีะบาดตรงนี้ เ, น, น, เ น, น, น, นี่นนนนนนนน ย, คนคน แ, ย, แ, ยแต่คุณเปนแ้วรูกอินทรีย์ของตับคุณใส่ของท่านผ่อนท่าน่อนยาให้โอกาสกที่จะนา น, นอย่าลืมต้องปล่อยได้นความบินจริงๆเชื่ว่ามันไม่น่ะสิเชื่ว่าราวามันห น, นักพอะเราไม่ถือมันหนักในส่วนของหนัก าพอมันชัดเลยแล้วมันกันไ่ย่างปลาปลาทูเนี่ยปาลาทะเลเนี่ย น, น้ำสีนดำมัเค็มเน่ยอัศจรรย์มันไม่ได้แสบพูอแสบตาเนะนี่คนะือคนทำบาปใช่ไหมนี่มันมีส่วนอัศจรรย์เหมือนกันแล้วก็ที่ซึ้ปลาในทะเลน้าเค็มรือสื่นี่อนะยู่ในปลามันอยู่ในแสบตาเนาก็เพราะสมัย เข้าเนะั้นเกิดขึ้นไหนะเปลียน <c oughs> อย่าเขาตากเลยในน้าเพี่ยนนะูกก็เกิดในหน้าเี ย, ไ น, เยนไม่เคยพบน้าเปียเ็เพียนงไมได้สบายเลนี้นีนังสาเ้ามาน้าเปียนที่มันทะลุลายไม่ได้จายเลยนีมยมยมย่มันิดอไี่คนที่ทาบาปใจเสื่อนบาปมาพูดในละบาปเลยทมเหมือนตายบางคนดูนี่ต่อหน้าเดมันจะได้นะอย่างนี้ แค่ว่ามันพยายามเป็นรเื่ออะไร่างนีมันก็าาปฏิบัติมันยากอันนี้มันทนั้นหามันมันเคยทมามันของมันยากแต่มันก็ไม่ยากนี่มันก็เป็นอย่างนี้นี่มันทได้ใช่ไหมทาได้แต่ทำพยายามทมันตรงก่อนมันเป็นอย่างนี้แต่ว่ายังไงก็ยอมรับเลยว่าเออพวกพระดัที่จะมาไปรู้สิตวาาร ผมจะพยายามนี่ประตูมาผมจะพยายามมีปัจจัยมีอะไรมันพยายามบางคนที่ไม่ตั้งใจไม่พยายามเลยนั่นแหละนประตูแล้วนี่ทมันดูังว่าผมจะพยายามนี้มันได้ห้าตูแล้ไอ้คนพยายามตองคนที่ไม่พยายามนั้นตามกเยอะแยะนะคนที่ไม่พยายามเลยมันเป็นอะไรอะไคือเนี่ยเรื่อมพันธ์ูขจะพยายามังเหมานะยคน่า่เือนศาสตามันบอกข้งเยอะแต่ล <Make> ะ kind of <spe> คนทีน่ไปมาส ย, ยามมันบ่จองข้าเลยอย่างนั้นเราพุทธเจ้าจสัส่งเถิดตรีศรมาเรา <c oughs> นับถือพุทธศาสนาเราเป็นคนฟังเราจะต้องฟัง <c oughs> ทาไมด้วยซิ่งเป็นฟังของเรายังไม่รู้จุดที่สุดหนึ่งเราต้อฟังถ้าฟังก็ต้องเป็นคนฟัง อย่ า, า, น, น, ยานั้นจะเป็นยงั้นจะเป็นไม่ได้ย่าไปตัดสินลงเพราะเรายัางไม่รู้เรามาฟังดูเรายังไม่รู้รับไว้ไปดูก่อนสิ่งที่จะ น, นให้ภาวนาเรื่องของนารธรรมะอพุทธศาสนาเรื่องภาวนาสุตตมายาปัญญามันได้ฟังอย่างวันนี้ก็มีปัญญามันรู้ขึ้นในหลายอย่างไหมวันนี้จึงไม่รู้ก็เลยรู้ไม่ได้ยินก็ได้ยินขึ้นสิ่งที่มันรู้มาอย่างมัวอยู่มันก็สว่างขึ้น เี่ยตัวธรรมญาตนี่ปัญญามันเกิดเพราะการฟังกินแต่มาตาปัญญาเล่ยเราไปคิดออกจากนี่ไปไปรรยังคิดคิดอยเกลี่ในความนี้แหละมันจะเพิ่มความรู้ขึ้นมาอีกนะต่อเมนี้เป็นโลกียวิสัยปัญญานี่ปัญญาจำเกีนกับารคิดแต่การฟังนี่นะปัญญาเส็บไว้ไม่ปล่อยิแบบ้งแบกปัญญาแบกนะ ขึ้นไม่ได้มันเป็นโลที่นเลสัยดีก็ติดดีไม่ไไม่ยอมทิ้งดีปัญญานี้นะถ้ามาดีแล้วก็ไม่ยอมทิ้งดีอยู่จะว่าไม่ดีก็เอาดีอยู่นั่นแหละนะมันก็เลยเป็นของไม่ดีได้นะภาวนาไม้าปัญญาโน้นที่ปัญญาจะหมดจะข้ามโลตีสังไรแล้วนี่นะต้งนั่งกำหนจิตรวมนถึงที่มันนะ ให้มันรู้ความสมุนของเรื่อง่งๆจนมาให้ปัญญาเกิดอย่างนั้นท่านจะเดี๋ยวหายปัญญาหรือมันบินกปัญญานั้นมันจะเป็นยานนะหรือมันละเอียดกัปัญญาเข้าไปแล้วมันจะเป็นยานเป็นยานนี่คือมันรู้แปลกๆสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้มันรู้มันรู้คือวิสัยของมนุษย์ที่รู้เข้าไปที่จะตามไม่ได้ทานในสิ่งนั้นเป็นยานหนึ่ง จะเป็นอดีตทางสยายนอนางสานอดีตทางสานปัจจุบันทางสานยานอดีตยังมีมันรู้ทางอดีตนะยีปัจจุบันมันรู้เรื่องในปัจจุบันอนาคตบนโซลเรื่องของอนาคตนะตามเป็นจอย่างนี้ก็เห็นว่าเป็นว่าอดีตเนี่ยถ้าตามปัญญาเท่าเราทำอะไรม า, ม, ามันทำมาลแล้วเราไม่มีความรู้อะไรที่มันเลยปัญญาแบบ ป, ปัญญาอย่างละเอียด ที่สุดต้องปัญญาเนี่ยอดีตมัควรีนใมะนควรซีนเพาะอะไรที่ดีมันกะดีไหนมันหายไปที่ไหนแล้วที่ผิดต้องจะผิดไหมนมันหายไปที่ไหนแล้วแ่เออนี่ยังไปตรงโน้นชก็เดียววัหมดภาระอะไอดีตนี่นะทีนี้ที่เราอยู่ตัววันนี้นะมันก็เป็นผลของอดีตแหละอดีตเป็นี่ ผลของอดีตอย่างนี้คือปัจจุบันนี้มันปเเ่เนีไม่เคยไม่เคยเลยนะที่เรล้วมันจะหลับไปมันจะหลับ อ, อนาคตอนาคตจะเหตุผลของปัจจุบันนี้พระพุทีเจ้านวาให้ดูปัจจุบันนี้ดีกว่าถ้ารู้เรารูปัจจุบันนี้เราจะอยู่ในเหตุผลเหตุอะไรเหตุของอานาคตผลอะไรผลของอดีต น, น, <c oughs> น, นั่นแหละเหตุผลนั้นต้องทเหตุผลที่ไหนมันอยู่ปัจจุบันนี้ ว่าทุกวันเราทำอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่ผ uh! ูกดูวิจ so ิตรตาเหตุอะไรนี่อดตเป็ตะหงอนะอนาคตเป็นตหงวันเพราะ่มันมีเหตุผลออกจากปัจจุบันนี้นี่นี่ิของพระโยคาจรเจ้าประยชน์ดปัจจุบันนะอนาคตจะเอาอ่นันเออนเนาะอนาคตจะเป็นองนของในนน่ไม่นเนียทงนายังไม่มาถึงนะให้มันเนอยู่ในปัจจุบันนี้ทนั่นนะอยาอนาคตเรปัจจุบันนี ก็เพราะอันนี้มันจะทำให้เหตอานาคตจะเกิดเป็นมรดกกรดูถึงไม่ต้งเสกผัวใหญ่อนาคตแล้วแต่มันรู้แต่ว่าไม่รู้เจอรู้อยู่ว่านอนาคตมันมีอดีตมันมีปัจจุบันมันมีว่าเหตุผลมันมีแล้วก็เรืงรู้อย่างนี้เสมอไปไม่ใช่เราที่อะไรมันน ะ, ะ, ะทนี่เราก็ไอการรของเราก็รวมในปัจจุบันเอง <c oughs> เออ่มันก็รวมกัมันเรื่องมันก็น้อยเขาเ้าสิครับวก็รู้จัดจุดมันด็กแต่เรารู้จัดจุดเราก็นั่งอยู่ในจุดมันนั่นแหละนะ อารมณ์อะไรที่จะเกิดเป็นมากันยังใช่ไหมพวกนี้ฉันจะไปกรุงเทพงคนเรารู้จักนะไม่ว่าเฉยๆหรอกทางในใจมันก็คิดกว่าไม่แน่นะตัวความของทุกปีมันไม่แน่ไอ้พวกนี้จะไปตรงนั้นนะมารับปากกันเลยคนด็สุดยอดอ่ะเจ็บทาไหนวะไม่แน่ทำไมเขาเขาไม่ตมันจ อย่างทูนี้ไปท่องเทีย่ยวมันไปก็ไปเข้าใจว่าที่ควรจะไปมันมีทาง่วรจะได้ไปทั้งไม่ควรจะได้ไปเนะี่ยอย่างทูีราปวท้องเขานะมาาถึงก็ไปไม่ได้เห็นไหมเพราะมันมีแน่นอนอย่างนั้นยาที่นนททนันจังนักาสตร์และนจังมันเป็นของแน่นอนอย่างนั้นที่เปลี่ยนแปลงจะไปไหวใจมันมากแบบนี้นี่เรีว่อยู่ในธรรมะนักศาสตรนี่พูดี่นนจังยาที่นจังเลยอย่างนี้ นี่คือการปฏิบัติที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้มันคลุกจับสบายนั่งเตรีมของยิงรอบอย่เสมอเพรานั้นอันนี้เรียบว่ามันเกิดเกิดจากความโกรธซึ่งนั่งเดียวทำมันรู้เพื่อนมันไมมาสงบนะก็จะนีเราจะดึงตาจ่ในสิ่งที่มัสไม่ต้องรับตามันสงบรับตามอสงบดึงตาเมื่อสงบมันก็เป็นเพราะอุบัติเหตุมันเข้ามาทุกครั้งนะไม่ใช่ว่ามันเข้ามาเสมอเราดืมตารับตาเขเข้ามานะ สั้งทข้าวแกงใสกว่าด้วยใจใช่พออเพนะราะจินนิ่งเขาแล้วจินเละเต็มเลยนันะ่นแหละนั่นแหละครับทำไมถึงเป็นงั้นเพราะว่าสินทั้งหลายเหล่านั้นมันแอบเกิดที่ตรงนั้นรเรียกว่าพยมนันที่เราจะปลูกผักแจะแปลงอย่งนะเราทำแปลงมันให้ดนะีปลูกผักลงไปแล้วใส่รสนาข้าวปุ๋ยมาใส่ หญ้าเชียงหมูอันที่ฟองไม่ต้องกไมเกิดใมไม่ไม่เย่งนัน้ตรงที่เราตอกตาเลยนี่เราจะเข้าใจถอนหญ้าไม่ใช่เว่าเออหญ้าเชียหมูก็เอาผักกักก็เอาเนี้ยมันก็ไม่ได้อะไรควรม่ควรไหมผักควรเก็บไว้หญ้าก็ถอนออกแล้วเป็นารละบาบอนมันออกมันควลจะจะผักเราผักเราก็มีโอกาสที่จะโตขึ้นจะใหญ่ขึ้นจะดีขึ้นานั้นเนี่ย อย right? no ่าว่าเราทำดีแล้วไม่มีอะไรมาหนาและมันยิ่งปวดนะผักตามใสแมลงยิ่งมากเท่านั้นหญ้าก็ยิ่งมาเกิดเท่านั้นาจะคนรักษาผักจะดูไมว่าอะไรควรมีควรมัอะไรควรละอะไรควรเอามจะปล่อยิงไปันเลยเอาไป้หญ้าทั้งผักมันจะดีเป็นนท่เราจะดใจเราดดีนะอย่างั้นเราก็ดไ้รมนต้องทำตามหน้าที่มันมีช่อง อย่างจะนั่งอยู่ที่ไหนก็แล้วมันมีธรรมะอย่างนี้แล้วมันเมีข้อปฏิบัติอยู่ที่นั้นเนี่ยรกปลิริใจนั่นท่านเรียกว่ามันอ่เป็นภาวนามายปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาอันนั้นเป็นท่นโลภุตระจะไปโลภุตระทำเนี่ยมันจำเป็นนะไม่ต้องถามเนี่ยนั่นไม่จเป็นต้องถาม ทำไมจะไม่องสามสคือมันคือมันในเรื่องที่จะต้องถามนั่นเองครับอืมมในเรื่องที่จะต้องถามคือมันหมดเรื่องหมดเรื่องอยังไงายเลยนะของเามีปัญหาแเราหาพบแล้วก็หมดเรื่องถึงจะทำบุญคนนั้นเนี่ ย, ย, ยมันกง่ายจะรเปียบเข้ามามันมีอยู่ในนั้นนี่เออที่อย่างนั้นมันก็สงบมันหมดเรื่องมันก็สง บ, สงบแล้วก็ตรงอยู่ม มีอะไรเขึ้นมาพ็ทิเบตนามานักจมีสิอย่ที่สบายดังนั้นเนี่ยการทำงนานซื่อไม่ยากพูดก็ไม่ค่อยยากนะฟังก็ไม่คอยยากฟังแต่ว่าปฏิบัติที่พี่นม่ดหน้าของไม่ยากทำของยากไม่ได้ทำพระพุทธ เ, เจ้าตัวนีม้มีปุถนค่าในอำนาจยังนั้นทำมาจึม่มีปุถุค่าจึงมีมนหนาจ ทำคนทำคำควรอะไรทำคนชั่วมาละคนชั่วอะไรต่อพ่อเขาจะได้ทำมาพ่อครับในเมืองไทยต้องเรียกอธิยบุตรนี่แต่ว่าท่านก็ไม่เคยว่านะท่านบอกเองไม่ได้บอกเองแต่ว่าเรามีแย่เราไม่ดูเกลียอยู่้ามีระช้าก็จะมีคนตายนะทำมีบ้านคนจมีพช้าอยู่ไม่ขายางนั้นต่อมา ผลยังมีอยู่ในโลกพระอริยบุคคลก็ต้องังมีอยู่เออเกิดมาแล้วก็ต้องมีตายไหมแน่นอนเลยถ้าเกิดแล้วต้ตายอย่างนี้ดีชั่วบาปบุญนี้ต้องเป็นดีอย่างนั้นมีอยู่มาผลนี่ถิ่จะมาที่ปัญญาสมบูรณ์ขึ้นที่ไหนต้องมีดีแน่นไม่ต้องสงสัยแล้ว